บัณณีจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อประกอบบุญกิริยาที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญกนะุศลแล้วก็ทำพิธีเพื่อที่จะโปรงสิริละของมิตสหายหรือว่าผู้ที่เรากอรบพรกท่านหนึ่งก็คือพนระพุทสมทวินอยูชาพัฒนพร พวกเราทั้งหลายในที่นี้ก็มาจากต่างทิศ ต, ต่างแดนกันจากหลายจังหวัดของประเทศไทยเราแต่ละคนก็มีภูมิหลังที่ต่างกันมีอาชีพมีวัยที่ต่างกันแต่ว่าวันนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเป็นสิ่งที่เรามีความคล้ายคลึงกันนั่นก็คือว่าเราได้ ประสบกับความสูญเสียพัดพราเหมือนกันและผู้ที่พัดพรากจากเราไปนะก็คือคุณสมถวิรืูชาพัฒนากรซึ่งเป็นบิสหสายของเราหลายท่านเป็นญาติของเราก็หลายท่านรวมทั้งเป็นภรรยาและก็แม่ ของพวกเราบางคนในที่นี้ด้วยการที่เราได้สูญเสียมิสหายหรือว่าผู้ที่เราเคารพรักเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมด า, าสำหรับชีวิตของเราแต่ว่า มองให้กว้างแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมดาของชีวิตและโลกนั่นก็คือว่าคนเราเมื่อมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยเราย่อมไม่สามารถหนีความสูญเสียพัดพลาคได้ความสูญเสียพัดพลาดคนรักรวมทั้งของรักนี่เป็นธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ชีวิตเราเนี่ยในด้านหนึ่งก็มีความสุขให้เราเสพให้เราสัมผัสแต่ในด้านหนึ่งมันก็มีความทุกข์ที่เราหนีไม่พ้นและความทุกข์อย่างหนึ่งก็คือความสูญเสียความพัดพลาคนรักวันนี้เรามาร่วมพิธีเนื่องในโอกาศที่ ผู้ที่เรารักผู้หนึ่งได้จากไปสมถุยนี้เป็นเพื่อนขอหลายคนอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วเป็นย่าของหลายคนเป็นแม่ของบางคนแล้วก็เป็นภรรยาของสง่าเพื่อนของเราแต่เราจะไม่ได้สูญเสียเพียงเท่านี้วันหน้าเราจะต้องสูญเสียอยีก ไม่ว่าเรารู้จักใครไม่ว่าเรามีคนรักมีของรักมากน้อยแค่ไหนสักวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียคนเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นไปนี่คือความจริงที่เราไม่สามารถจะหนีพ้นและเมื่อเราหนีไม่พ้นสิ่งที่เราควรทำก็คือ ทำใจยอมรับในฐานะที่มันเป็นความจริงเป็นศัรธรรมของชีวิต้าว่าเรายอมรับไม่ได้เราก็จะสูญเสียสเราก็จะเศร้าโศกเราก็จะท่าครวนและเราก็อาจจะลืนตาชตากรรมแต่ถ้าว่าเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เราก็จะสามารถสงใจให้เป็นปกติกลัมาตั้งหลักใหม่ แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปเพื่อทำให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านการที่เราจะทำใจยอมรับความสูญเสียนพดพลาดนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการยอมรับว่ามันเป็นธรรมดามาเป็นธรรมดาลมเป็นธรรมดาชีวิตและถ้าเราจะ สิ่งที่ช่วยเราตระหนักถึงความเป็นธรรมดาที่ได้ก็คือการเตือนใจอยู่เสมอหรือ ว, ว่าการเตือนใจด้วยการเรียกถึงพุทธพจน์ที่อัตมาได้กล่าวยกขึ้นมาเป็นยิบบน่งเขมรบทซึ่งแปลเป็นไทยว่าเราจะต้องทัดราจากของรักของชอบใจทั้งนั้นก็ความนี้เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บทพิจารณาที่ชื่อว่าอภินิหารปัตโตเวบทพิจารณานี้เนี่ยมีอยู่5ประการและข้อที่สีเนี่ยก็จะบอกว่าเราจะต้องสูญเสียของรักหรือพัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาและลึกถึงบทอภินิหารปัตโตเวที่เป็นประจำเราก็จะ ก็มีเครื่องเตือนใจว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ยิ่งรักยิ่งหวงแหนยิ่งผูกพันมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งเตียนใจสำหรับความพัดพลาแต่เราจะทำใจได้ดีขึ้นสำหรับความสูญเสียพัดพลาเมื่อเราไม่เพียงแต่เราลึกถึงความจริงข้อนี้เท่านั้น แต่ว่าเมื่อเราพยายามทำดีที่สุดกับคนที่เรารักเม่ว่าเป็นใครก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลิสหายเป็นลูกเป็นหลานถ้าวันเราได้ทำดีที่สุดกับเขาทำหน้าที่ที่ควรทากับเขาอย่างเต็มที่สิ่งนี้จะช่วยทำให้เราเนี่ยทาใจได้มากขึ้น อย่างที่เขา พ, พลาดไปจากชีวิตของเราหลายคนยอมรับความสูญเสียไม่ได้เพรรู้สึกผิดเนื่องจากตอนที่เขามีชีวิต อ, อยู่นั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาหรือว่าไม่ได้ทำดีที่สุดให้กับเขาหลายคนเสียใจนะเมื่อพ่อแม่คนรักจากไปเพราะ มาได้คิดว่าตอนที่เขาอยู่กับเราได้ร่าเริงโอกาสที่จะทำดีกับเขาแต่ถ้าหากว่าเราได้ทำดีกับเขาเช่นดีเวลาให้กับพ่อแม่ดูแลท่านในกาที่ท่านยังมีสุขภาพดีเยี่ยๆ ย, ยนไปมาหาสู่ท่าน หรือว่าเมื่อท่านเจ็บป่วยก็มีเวลาที่จะดูแลใจใสท่านเมื่อถึงเวลาที่ท่านไปก็จะทําใจได้หรือว่าเมื่อถึงเวลาที่ท่านยังไม่ไปก็ตามแต่ว่าอยู่ในรักสุดท้ายแล้วก็พร้อมที่ให้ท่านจากไปอย่างสงบตามวิถีทางธรรมชาติจะไม่คิดหาทางยื้อท่านเอาไว้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ พอรู้ว่าการทําเช่นนั้นจะทําให้ท่านทรมานเมื่อจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อใช้เครื่องช่วยหายใจปั๊มหัวใจใช้ยากระตุ้นหัวใจหรือว่าฉีดยากระตุ้นการทํางานหัวใจซึ่งมีแต่จะทําให้ผู้ป่วยนั้นเนี่ยทุกทรมานมากขึ้นผู้ที่ดูแลแม่ในย่างที่ป่วยเนี่ยไม่รู้ว่าท่านอยู่ในสุดท้ายก็พร้อมจะให้ท่านากลับไปอย่างสงบโดยไม่คิดจะ ยื้ท่านเอาไว้เพราะรู้ว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้ท่านทรมาแต่ถ้าหากว่ามีลูกคนใดที่ไม่ได้มีเวลาอยู่กับท่านเลยเมื่อเวลาที่ท่านอยู่ในยศสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มักเกิดขึ้นก็นคือจะพยายามยืย้ท่านเอาไว้จะทำทุกอย่างเพื่อท่านมีลมหายใจยาวนานที่สุดเจะพ่อใส่ท่อปัามหัวใจหรือว่าใช้ยากระต้นความตัน เพราะว่าอยากจะให้ท่านอยู่กับตัวเองให้นานที่สุดเพราะทำใจไม่ได้และที่ทำใจไม่ได้ก็เพราะว่ารู้สึกผิดที่ท่านจะรีบด่วนต่างไปโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรให้ท่านแต่การทำเช่นนั้นบ่อยครั้งก็นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าหากว่าเราทําดีที่สุดกับคนที่เรารัก ในขณะที่เ้ายังอยู่เนี่ยการปล่อยวางการทําใจเมื่อเขาพัดพลาดจากเราไปจะทําได้ง่ายแต่ถ้าไม่ได้ทําสิ่งนี้ล่าเรินโอกาสเมื่อถึงเวลาที่ท่านจากไปอาจจะไม่ใช่พ่อแม่อาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นหลานวิสหายก็จะรู้สึกเสียใจอะีรจริงแล้วเนี่ยถ้าว่าเราเตือนใจอยู่เสมอด้วยการเราลึกถึงบทพิจารณาปิฏฐะปัตเจเว หังที่ได้กราบมาสักครู่เนี่ยมันก็จะกระตุ้นเตือนให้เรานะั้นไม่ประมาทไม่ทาให้เราเฉลียใจว่าคนที่เรารักที่อยู่ข้างกายเราทีอยู่รอบตัวเราซ่อนมันแค่ต้องจากไปเมื่อเราถนักเช่นนี้เนี่ยเราก็จะเกิดการค้นคว้าพยายามทําดีกับเขาพยายามทำหน้าที่กับเขา สายเหตุหนึ่งที่ผู้คนเนี่ยปล่อยผ่าล่ะเลยไม่ค่อยได้มีเลให้กับคนรักไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจเฉพาะไม่ได้คิดเลยว่าท่านจะจากไปหรือเขาจะต้องสูญเสียไปจากชีวิตของเราบางทีคิดไปได้ซ้ําว่าเขาจะอยู่กับเราไปชั่วฟ้าดินสลายอันนี้เป็นความเข้าใจในส่วนลึกของผู้คนนะเวลาเรารักใครเรารักใครเราผูกพันกับใครเนี่ย ลึกๆแล้วก็คิดว่าหรือเราก็เชื่อว่าเราหวังว่าเขาจะอยู่กับเราไปจนชั่วฟ้าดินสลายแต่นั่นเป็นความหลงและเป็นความประมาทเพราะว่าเขาจะไม่อยู่กับเราไปจนตลอดถ้าเขาไม่จากเราไปเราเองก็จะเป็นฝ่ายจากเขาไปนอกจากเราต้องสูญประสบความพัดยแพ้สูญเสียนะ สิ่งนึงที่เราต้องคิดต่อไปเราลึกต่อไปคือว่าสักวันหนึ่งเราเองนั่นแหละก็จะเป็นผู้จากไปวันนี้เพื่อนรักของเราวันนี้ญาติของเราวันนี้แม่ของเราวันนี้ภรรยาของเราจากไปจากโลกนี้แต่วันหน้าเราเองนั่นแหละจะเป็นผู้จากไปเชเองเราจะไปจากพ่อเราจะไปจากแม่เราจะไปจากลูกเราจะไปจากคนรักเพราะว่า เราทุกคนมีความตายไม่พ้นเมื่อเรามางานศพแบบนี้เนี่ยนอกจากเรามาตะหนักว่าเราจะต้องพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราต้องไม่ลืมเตือนใจเราเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นผู้จากไปเสียเองมีที่หมายก็คือเชิงตะกรหรือว่าจิตตการ์พานซึ่งจะถูกไฟเผาผลาญไม่ช้า ก, ก็เร็ว ในบทพิจารณาปัญหาปัจจุบันก็จะมีข้อความอีกสข้อความที่เราควรพิจารณาก็คือว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลดเพิ่มความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดเพิ่ความเจ็บไข้ไปไม่ได้และเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดเพิ่มความตายไปไม่ได้ ข้อที่สามนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพึงสังวรหรือว่าเราลึกอยู่เสมอการมางานศพก็เป็นโอกาสนึงที่จะเตือนใจให้เรารู้ลึกว่าเรามีความตายเป็นเรื่องหน้าและเบื้องหน้าที่ว่านี้จะกี่ปีกี่เดือนกี่วันไม่มีใครรู้อาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้ ความตายแล้วเนี่ยเราเคยตระหนัก บ, บ้างหรืึป่าว่าใกล้ตัวเราอย่างยิ่งแม้จะหนุกสาวเนี่ยก็อย่เชื่อความตายใกล้ตัวภาสิทธิทเบเนี่ยกล่าวไว้ว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่าพงพรุนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปเครื่อมีพรุ่งนี้ก่อนค่เคยมีชาติหน้าสําหรับหลายคนคนจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยไม่มีพรุ่งนี้ ในโลกนี้เนี่ยปประมาณพันหนึ่งหมคนที่วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาจะไม่มีพรุ่งนี้คนจากวันนี้นไปฟิชชาตนหนึ่ง5 0 0ห้า 1, 500, คนนี่คือทั้งโลกนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราเป็น 1, หนึ่งในแสห้าหรือเปล่าอาตมาชุ่เป็นผู้เทศก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในแสนห้าที่ว่าไหมเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องตัดเตือนใจ ไม่ให้ประมาทกับชีวิตและขณะเดี ก, กัเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายแน่นอนเนี่ยเราก็ควรคิดต่อไปด้วยว่าเราอยากจะตายแบบไหนเราอย่าเพียงคิดแต่ว่าวันนี้เราจะอยู่อย่างไรเราอย่าเพียงคิดว่าเราจะสร้างเง้อสร้างตัวหรือว่าเราจะทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นให้เจริญงอก ง, งามให้มีความสุข มากขึ้นก็เดินได้อย่างไรคิดแค่นั้นยังไม่พอเพราะว่าไม่ว่าเราจะประสบความสุขความสาเร็จในชีวิตยอย่างไรชีวิตที่ว่ามันต้องชินสุ ด, สดไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วเราต้องการแล้วเราทุกคนต้องตายแล้ว น, นี่มั่จะตายก็ต้องคิดว่าเออเราจะตายดีได้อย่างไรหรือว่าเราจะพอรับความตายอย่างไร คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมีชีิตเหมือนคนลืมตายคือลืมไปเลยนะว่าตัวองจะต้องตายก็มัวแต่ทํามาหากินมัวแต่สะสมเงินทองแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็พยายามเสจสุขอาจจะมีบางช่วงบางครั้งที่เราลึกได้ว่าตัวเงต้องตายแต่ว่ายอมรับไม่ได้ ก็เลยพยายามทำตัวให้วุ่นทำใจไม่ให้ว่างจะได้ไม่ต้องคิดถึงความตายเพราะคิดแล้วเสียดสยองสัทธาใจหลายคนใช้วิธีทำตัวให้วุ่นทำใจไม่ให้ว่างโดยการไปเที่ยวช้อปปิง้งโดยการไปเที่ยวหาความสนุกทุกทีตีมงกับผู้คนหรือว่ามงมุก่กทบงานการ ก็ได้ผลชั่วคราวก็คือลุงตายไปได้แต่คนเหล่านี้เนี่ยพอความตายมาถึงหรือมาใกล้ตัวเนี่ยนะเขาจะมีความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งหลายคนเนี่ยจะไม่ทาตายเลยเพือนไข้ร่วเป็นโรคร้ายเช่นเป็นมะเร็งก็หมตายทั้งเป็นหรือว่าอยู่หนคนตาย มีแต่ลมหายใจแต่ว่าไม่มีชีวชีวะหมดอะไรแต่อยากกับชีวิตกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็เฝ้าคนตาจะตากรรมว่าทําไมถึงทําให้เจอเป็นอย่างนี้ทําไมถึงต้องเป็นชั้นตอนอยู่ก็อยู่เหมือนคนตายและพอตายก็ตายแบบที่คนดบร า, าเรียกว่าหลวงตายก็คือตายแบบไม่มีสติ ที่จริงเนี่ยในยเมื่อเรารู้ว่าเราต้องตายเนี่ยผู้ที่มีปัญญาเนี่ยหรือว่าวินยูชนที่จะต้องคิดแล้วว่าแล้วเราจะตายอย่างไรคนเหล่านี้จะตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมตัวตายเขาจะไม่ได้คิดแต่เรื่องการอยู่ดีแต่เขาจะนึกด้วยว่าแล้วเราจะตายดีได้อย่างไรจากที่เราจะเตรียมตัวตาย เป็นสิ่งที่ทำได้และควรทำแล้ถ้าเราเตรียมดีการที่เราจะตายดีตายสงบก็เป็นไปได้ที่จริงแล้วการตายสงบเนี่ยเป็นสิทธิของเราทุกคนเราทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยมีสิทธิที่จะตายด่ตายสงบได้ทั้งนั้นแต่ว่าสิทธิเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่ามันมาพร้อมกับหน้าที่ เราจะได้สิ่งที่ตายสงบก็ต่อเมื่อเราทำหน้าที่ต่อความตา ย, ยู่เช่นในวงความตายยอมรับว่าความตายเป็นหน้าที่หมายความว่าเราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องตายเราไม่ได้มีหน้าที่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเท่านั้นเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องพร้อมจะตาย คำตะหนักว่าความตายเป็นหน้าที่การทำหน้าที่ต่อความตายอีกแง่นึงก็คือว่าการเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดซึ่งไม่ได้ไหมายความเพียงแค่การตาเตรียนมรดกทาพินัยกรรมแต่รวมถึงว่าเราพยายามที่จะทำคุณงามความดี สร้างบุญสศไม่ปล่อยเวลาผ่านไปโดยปล่าประโยชน์หรือว่าใช้ไปกับการแสวงหาเงินทองทรัพย์สินชื่อเสียงหรือวความสุขสนุกสนาเท่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาตายมันช่วยเราแล้วไม่ได้เลยไม่ว่าจะมีเงินทองมากเทา่าไหร่ถึงเวลาตายมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้เราตายสงบได้ เพลิดเพลหรือไม่หนักซ้ำเนี่ยกลับทําให้เราตายยากขึ้นหรือว่าตายไม่สงบเพราะว่าความห่วงอะไรในทรัพย์สินปล่อยวางไม่ได้มีหลายคนที่เวลาจะตายเนี่ยอยากที่ป่วยหนักเขาลืมทุกอย่างเลยลืมลูกลืมหลานบางทีลืมด้่ยซ้ำว่าตัวเองชื่ออะไรแต่สิ่งที่เขาไม่ลืมก็คือการเอาสมุดบัญชีมาเปิดทุกเช้าทุกเย็น ว่าตอนนี้มีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่แล้วมีใครเป็นหนี้บ้างใจที่ใจก็จะเปิดรับบุญกุศลเขาหมกกับหมกมุ่นอยู่กับเงินทองแล้วก็เชื่อได้ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเมื่อตายก็ตายไม่สงบเพราะว่าใจเนี่ยหวนแต่เรืลึกถึงทรัพย์สมบัติแล้วก็จะต่อสู้ดิ้นรนเพราะกลัวสูญเสียทรัพย์สมบัติที่เตรียมวงแหนเอาไว้ น, น, นอกจากการที่เราพยายามทาความดีสร้างบุญสร้างบุญศนเพื่อเป็นที่พึ่งทั้งในยามปกติในยามสุขและในยามทุกข์รวมทั้งยามใกล้าตายรวมทั้งยามที่ไปสู่กรโลกแล้วเราก็ควรฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางด้วยนะการปล่อยวางเป็นสิ่งที่เราฝึกได้ทำได้ในชีวิตประจำวันเวลาเงินหายโทรศัพท์หายหรือรถหายนะ ก็อย่าทํำครวนนะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่านั่นคือแบบฝึกหัดที่มาฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางจริงแล้วความสูญเสียพักดพาเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันมีคุณนะถ้าเราใช้มันเป็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ธรรมะในใจเราเจริญนอกนามในสายพุทธการมีหลายท่านที่ท่านบรรลุธรรมได้เพราะวาความสูญเสียความพัด พ, พราด อย่างนางกีสาวตมีเป็นคนฉลาดและชีวิตก็ราบรื่นครอบครัว ก, ก็ร่ำรวยมีลูกที่น่ารักแต่แล้ววันหนึ่งลูกที่ยังน่ารักแค่สามสี่วบก็ตายกระทันหันนางกีสาวกตมีทำใจไม่ได้ไม่ยอมแล้วรอลูกตายอุ้มศพลูกไปให้ใครกับใครช่วยให้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมา ทุกคนก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วนางกิสากรตุนีก็ไม่ยอมรับใครๆก็ใส่หัวกันเป็นแถวจนกระทัางมีคนแนะว่าให้ไปหาพระเจ้าสืบช่วยได้นางกิสากรตุนีก็อุ้มศพลูกเนี่ยซึ่งเริ่มเป็นเน่าเนี่ยไปหาพระเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยแทนที่จะจะสอนให้เขาทําใจตระหนักถึงความแยบยลใจของสังขารและชีวิตคงตระหนักว่าสอนไปก็เขาคงจะไม่ฟัง ก็เลยบอกว่าพระองช่วยได้ถ้าหากว่าเธอไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ ม, มีคนตายนางทีสาวคนนี้ก็ดีใจอุ้มศพรูปเข้าไปในบ้านก็ไปในเมืองสาวรัตถีไปถามว่าบ้านไหนมีเม็ดผักกาดไหมบ้านทุกบ้านก็บอกมีหมดแต่ว่าพอถามว่ามีเม็ดผักกาดมีคนมีคนตายไหมในบ้านนั้นบอกว่าทุกคนทุกบ้านก็เล่นแต่มีคนตาย โดยเพราะป็นสมัยของก็ตายในที่บ้านบ้านนี้เสียลูกบ้านนี้เสียพ่อบ้านนี้เสียแม่บ้านนี้เสียตาเสียยายเจร่อน้อยเชื่อน้อยนางพิศเส้ากัตตินก็ทาใจได้ว่าความสูญเสียพลาดพราดเกิดขึ้นกับทุกคนทุกครอบครัวทุกบ้านและจะรู้สึกว่าเธอไม่ได้สูญเสียคนเดียวมีคนร่วมสูญเสียด้วยเธอก็เลยทาใจได้พอทาใจได้ก็ยอมรับได้ว่าลูกตายแล้ว เอาลูกไปฝังเอาไปเผาที่สู่สามเสร็จแล้วก็ไปทูลไปไปฟ้าุทธเจ้าทีนี้นะพหละเจ้าก็เห็นว่าจิตใจของนานเนี่ยพร้อมจะน้อมรับฟังธรรมะได้ก็แสดงธรรมสั้นๆว่ามรตยุย่อมพัดเอาผู้ที่ลหลงไหลในลูกในสัตว์เลี้ยงในทรัพย์สมบัติหรือว่าเรองติดรต่างๆเช่นเดียวกับน้ำป่าที่พัดพาเอาผู้ที่หลับไหลไปฉะนั้น นาพิจารณาตามก็บรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดาบาันแต่เมื่อสักครู่นี้ยังเป็นคนที่เรียกว่าสติไม่สมบูรณ์เลยก็ว่าได้แต่มาตอนนี้ก็เป็นพระอริยเจ้าไปแล้เพราะอะไรเพราะว่าความสูญเสียความสูญเสียมาเปิดใจให้นานเงนได้เห็นถึงสัจธรรมความจริงว่าไม่มีอะไรที่คิดมากถึงมันมได้เลยดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเจอความสูญเสีย ไม่ต้องสูญเสียใหญ่ๆสูญเสียเล็กๆเช่นสูญเสียทรัพย์สมบัติเราจะมองว่านี่คือเคราะห์ให้เรามองว่านี่คือธรรมที่มาแสดงให้เราเห็นเพื่อฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางจะเป็นเงินจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นรถหรือบ้านหรือว่าทรัพย์สินก็ตามถ้าเราพร่ำเพรื่เสียใจยแล้วก็ขาดทุนเสียเงินแล้วเสียทรัพย์แล้วยังเสียใจเผลอๆเสียสุขภาพอีก่กินไม่ได้นอนไม่หลับป่วยเสียงานทํางานไม่ได้ อารมณ์เสียหมุกหนิด ต, ตว่าใส่เพื่อนเสือเพื่อนอีกจะเสียจะเป็นหลายชั้นหลายต่อแต่ถ้าเราฉลาเนี่ยเราก็เอาสิ่งเหล่า น, นี้มาเป็นเพื่อนเตือนใจว่าเขากําลังสอนทำให้กับเราว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดเพอมาสอนมาฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางถ้าเราฝึกฝึกอาศัยเหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นเพื่อง น, น้อมใจให้ปล่อยวาง ถ้าเราทําเป็นอาจินทำเป็นทำสม่ำเสมอเมื่อถึงเวลาที่เราจะลาจาก่วกนี้ไปเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เฉพาะปล่อยวางทรัพย์แต่ว่าสามารถจะปล่อยวางคนรักพ่อแม่ลูกถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็ตายไม่สงบมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ตายแล้วก็ตาค้าง ตายก่อนตายก็ทุรนทุรายอันนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวในการที่จะรับรู้ความตายเลยจริงๆความตายไม่น่ากลัวถ้าว่าเรารู้จักความตายดีพอและถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจอยู่เสมอความตายก็สามารถจะกลายเป็นมิตรของเราได้ ที่จริงผู้ที่ศึกษาเรื่องความตายเนี่ยก็จะพบว่าความตายนั้นเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสที่จะสามารถนำพาเราให้เกิดความรู้ใจในสัจธรรมจนหลุดพ้นจากความทุกข์พ้นจากวัาสงสารได้อาจารย์พุทธทาส พ, พูดถึงความตายหรือภาวะใกล้าตายว่าเป็นนาทีทองของชีวิต เพราะว่าเป็นโอกาสที่จะหลุดพ้นได้เพราะว่าความตายเมื่อเกิดขึ้นกับเราหรือขณะที่กำลังใกล้จะชิดติดตัวเราเขากำลังสแสดงทำให้เราเห็นนว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่น่ายึดถือแล้วก็ยึดมาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นี่คือโอกาสสุดท้ายนะที่เราสามารถจะรู้แจ้งในสัจธรรมได้ แต่ถึงแม้เราจะพลาดโอกาสนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกใจไว้ดีเตรียมตัวด้วยการทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ฝึกใจนะให้รู้จักการปล่อยวางรวมทั้งระรู้ถึงความตายอยู่เสมอเรียกว่ามรรณะสติเราจะไม่กลัวความตายและเราจะพบว่าความตายเนี่ยน่ากลัวน้อยกว่าความกลัวตายความตายเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตาย และที่กลัวตายเพราะว่าไม่เคยได้เตรียมไม่เคยได้ฝึกฝนไม่เคยได้สอนใจตัวเราเองเลยในเรื่องความตายให้เวลาเรามางานศพเนี่ยนะนอกจากมาเตือนใจให้เราลึกถึงความจริงที่ว่าความสูญเสี ย, สยพลาพลาดเป็นธรรมดาของชีวิตก็มาเตือนใจให้เราตระหนักว่าความตายก็เป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นนะและเมื่อมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ต้องควรเตรียมตัวนะและการเตรียมตัวถ้าเราเตรียมอย่ถูกต้องมันก็ทําให้เรามีความสุขในปัจจุบันขณะ ด, ด้วยมันจะไม่ทําให้เรากรหูเศร้าหมองนะมันทําให้เราเยังเกิดความไม่ประมาทในชีวิตและเรียนรู้จักการปล่อยวางและก็อย่างที่บอกไว้ณนเะมื่อตอนต้นว่าเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตาย หน้าที่ที่เรามีต่อคนรักต่อพ่อแม่ต่อลูกนะต่อส่วนรวมเราก็ต้องเล่งผลขวัญทําให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะถ้าเราทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยถึงเวลาเราจะตายเราก็ปล่อยวางได้เราดูแลเราเลี้ยงลูกเราเลี้ยงลูกมาดีเราสอนเขาให้รู้จักช่วยตัวเองได้ถึงเวลาที่เราจะตายเราก็ไม่ห่วงลูก เ ร, เรารู้ว่ารูปจะอยู่ได้อยู่ที่ไม่มีเราถ้าเราดูแลพ่อแม่ดีถึงเวลาที่เราจะตายเราก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วลการทําหน้าที่ต่อคนที่เรารักเป็นวิธีการที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะปล่อยวางแล้วก็จากไปอย่างสงบได้อาตมาก็ได้กล่าวมาพอสมควรนะโดยโดยอ้าน ถึงพุทธภาสิตนะเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากการที่เรามาในงานศพนอกจากเรามาทำหน้าที่ต่อมิตรของเรานะต่อญาติของเรานะต่อผู้มีพชุดของเราคือคณสมถนหรือชาพัฒนาพรตามหน้าที่ที่เราควรจะบาเพ็ญแล้วนะเราก็ควรได้ประโยชน์นะในทางธรรมจากการมาด้วยเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ย อสมทูลเนี่ยนะการจากไปของเขาก็สามารถจะสอนทําให้กับเราได้มากมายแต่ถ้าหาว่าการจากไปเขาจะไม่สูญเปล่าส่วนก็เพราะว่าเรารู้จักเก็บเกี่ยวสัจธรรมจากการจากไปของเขานอกนากจากการที่เราได้เคยรักสิ่งดีๆนะจากเขาในยามที่เขามีชิดอยู่ความดีที่เขาได้ทําก็เป็นส่วนที่เราจะจําไว้ในใจ และสำหรับผู้ที่เป็นเป็นลูกเป็นหลา น, นก็อาจจะมีหน้าที่ที่จะต้องสื่อทอดความดีของเขาให้ยั่งยืนไม่ใช่ด้วยาการทําอนุสาวรีย์อะไรให้แต่ด้วยการสื่อทอดความดีงานนั้นไว้ในจิตใ จ, จของตนแล้วก็นําความดีของเขานเนี่ยรวมทั้งชีวิตของเขาเนี่ยมาเป็นบทเรียน กับอ น, นุชนรุ่นหลังเพราะว่าการที่คนเราได้ศึกษาชีวิตของผู้คนไม่ว่าใกล้หรือไกลก็สามารถจะเป็นแรงบรนดานใจหรือว่าสอนทำให้กับเราได้ทั้งสิ้นท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศ ร, รีรัตนตรัยอำนวยโดยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขภัลละเพื่อเป็นพครืองปัจจัยในการทาความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทางสูงภาวนา ขอให้มีกําลังใจในการทาคุณงามความดีเพื่อให้เกิดความสงบเย็นและทําตนให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อมนมนุษย์และขอให้บุญกุศล น, นั้นเนี่ยได้ช่วยทําให้จิตใจของเราได้เกิดปัญญาพาจิออก จ, จากความทุกเข้าถึงความสุขเรษมสารมีพระนิพพานเนที่หมายอีกทั้งบุญกุศลที่เราได้บําเพ็ญในวันนี้ก็ขอให้เป็นพระปัจจัยให้กับคุณสมทุลินนิชาพัฒนาพรเพือ่อให้ได้ผสบสุขสมบัติในสัมภารพบ และได้พบพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญทานสีงภาวนาในพวบคุมต่อๆไปจนกระทั่งได้เข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการโดยเธอ